ท่านฟในราการสันสนีสนทนาที่ท่านกาลังฟังอยู่ในขณะนี้ที่มีดิฉันสันสนีนาคงศ์ดำเนินรายการเนี่ยนะคะเรามีการปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ให้มาฟังธรรมกันด้วยแต่ว่าเป็นการฟังธรรมในลักษณะที่ให้ฟังง่ายๆนะคะโดยพระคุณเจ้าที่จะมาอยู่ในช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทว จ, จะนะคือพระอาจาร ย, ย์ไพบูลอภิปุลโนแห่งวัดปาดอนหายโศจตวรรษดอนธานีท่านก็จะได้ ยกเอาคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดมาตอบคำถามซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามง่ายๆธรรมดา า, มดาคำถามทางโลกหรืออาจจะบางครั้งมีคนที่สนใจในเรื่องปฏิบัติอันนี้ก็ถามมาได้เช่นเดียวกันน ะ, นะคะขณะ น, นี้พระอาจารย์ไพบุญก็พร้อมแล้วค่ะน้สการกระทั่ค่ะอจรยบอมีคาถามเบาๆก่อนดีวกว่านะคะถามว่าเวลาบวชนาค ต้องมีคนเต้นรําเต้นหรือรําด้วยนะคะนําขบวนหน้าถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเต้นกันมากกว่าราถ้าสมัยก่อนก็ต้องเหมือนกับว่ารํากลองยาวรํารกับแตรวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าคนที่เต้นรําหรือรําเนี่ยจะได้เป็นนางฟ้าอยากทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่คะโอเคนางฟ้าคือเทวดาถูกไหมค่ะ ดังนั้นคือเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นเทวดาก่อนนะตรงนี้มีสองประเด็นประเด็นแรกคือเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นเทวดาเนี่ยอะไรพุทธเจ้าบอกศีลนะศีลเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เธอไปสู่สวรรค์ 2. การบวชนาคเนี่ยบวชพระเนี่ยโดยมีนาคเนี่ยต้องมาเป็นนาคเนี่ยนะ <Okay. S 1> ออคือนาคเนี่ยก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดวิธีการว่าจะต้องมีใครมาเต้นมารํามาอะไรค่ะ okay. เพราะนั้นถ้าคนที่บอกว่าฉันต้องการไปเป็นนางฟ้าเนี่ยให้ถือศีลอืมค่ะเพราะนั้นถามว่าระหว่างที่เขาเต้นเนี่ยเขาพูดจาหยาบคายไหมอ่าพูดจาหยาบคายนี่ยังยังไม่ใช่ศีล น, นะแต่เป็นสัมมาสัมมาวาจาร์าาแต่ว่าเขาดาา่าใครไหมอ่าเขาพูดโกหกไหมเขาฆ่าสัตว์ไหมเราพิจารณาแค่นี้เพราะนั้นถามว่าอาจารมาก็ต้องดูว่าที่เขาเต้นเนี่ยเขาอ่ารักษาศีลหรือเปล่าในขณะที่เขาเต้นค่ะถ้าเขารักษาศีลก็โอเค แต่ว่าต้องรักษาสม่ําเสมอถูกไหมคะไม่ใช่แค่รักษาขณะรําหน้านากนะค ะ, ะถูกถูกแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าการฟ้อนรําการละเล่นเนี่ยถามว่ามันทําให้จิตเป็นกุศลหรือเปล่าเราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นฆาศึกต่อการสมำรวมอินทรีย์หรือเปล่าค่ ะ, ะแต่ถ้าหากว่ามีความเชื่ออย่างแรงกล้าแล้วอาจจะเป็นคนที่รักษาศีลอยู่แล้วถ้าจาจังคะ แล้วก็ทําด้วยจิตเป็นกุศลอย่างยี้<ช><ช>เพราะมีความเชื่อซึ่งมันจะเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะก็ไปลาแบบโอ้โหลำแบบมีสติมากเลยฉันลาเสร็จฉันจะได้เป็นนางฟ้าอย่างเงี้ย <c oughs> มีโอกาสแน่เลยไหมคะคือความเชื่อที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยน ะ, ค, ะคือความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นความเชื่ออื่นๆเนี่ยเราก็ยกไว้ก่อนเอาที่เป็นพุทธวจนะก่อนว่าถ้าคุณอินทรีย์บา ร, รมีเนี่ยที่บอกว่าคนจะไป ตรัสรู้รำหรือว่าจะดีขึ้นมาได้เนี่ยนะคือ1มีศรัทธาศรัทธาตัวนี้ไม่ใช่ศรัทธาว่าโอ้ฉันเชื่อแน่เลยว่าถ้าฉันเต้นลำฉันจะต้องได้ไปนางฟ้าอันนี้ไม่ใช่เรียกศรัทธาที่พระพุทธเจ้าโดยโดย้วยพุทธวจน ะ, ะแต่ศรัทธาเนี่ยคือความมั่นใจมั่นใจในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นพระอรนันตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะต่างๆอย่างบทส่วนอิติปิโสนั่นแหละ คือให้สรัทธาแบบนี้ให้มั่นใจแบบนี้นก็คือจะทำได้ถ้าสมมุติว่าเกิดท่านที่มีความเชื่อไปรำหน้านาคเนี่ยแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับความเชื่อว่าจะได้ไปบรรลุไปอะไรถึงไหนแต่เขาเชื่อกันแบบสืบต่อๆกันมาว่าจะได้เป็นนางฟ้าเป็นคนที่มีศีลที่ดีนะคะแล้วก็มีศรัทธามั่นในพระพุทธองค์อย่างนั้นเนี่ย ก็จะส่งผลในแง่ที่คุณต้องการเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไปรำถูกต้องสร้างเหตุให้ถูกกันละกันค่ะสร้างเหตุนะคะอันนี้มันก็เป็นความน่ารักของสังคมไทยนะคะเข้าใจว่าเหมือนกับครอบครัวไหนที่มีลูกได้บวชนะคะท่านคะเขาจะปิติอินดีกันมากเลยโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี่จะได้ไปถึงสวรรค์เพราะว่าได้ก่อบผ้าเหลืองของลูกดังนั้นการเฉลิมฉลองเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมต่างจังหวัดนะคะเป็นสังคมแบบ พี่น้องรักใคร่กันเองแล้วก็ซื่อซื้อตรงไปตรงมาเขาก็จะแสดงออกกันตัวนี้มีพุทธวจนะนะยังไงครับท่านครับพระพุทธเจ้าบอกว่าบิดามารดาญาติมิตรอมมาสายโลหิตถ้าระลึกถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งบุคคลคนค น, ค น, นี้ปวดอยู่การค น, คนที่ปวดอยู่เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้การระลึกถึงของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ระลึกถึงเรามหาศาลอ๋อหมายถึงว่าถ้ถ า, ถาสมมติดิฉันเป็นญาติโยมอ ระลึกถึงเป็นญาติของพระก็ระลึกถึงท่านการระลึกถึงถึงของดิฉันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองกับตัวเองตัวตไม่ใช่เป็นประโยชน์กับพระนะคะทีนี้ถามว่าพระองค์นั้นเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอ๋อค่ะไม่ใช่ว่าพระทั่วทั่วไปเนี่ยก็ระลึกถึงเห็นผ้าเหลืองนึกถึงผ้าเหลืองนี้ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ไม่เกี่ยวเพราะพระธเจ้าโดยพุทธวจนะบอกว่าภิกษุ องไหนเนี่ยนะที่มีคุณสมบัติแบบนี้เมื่อญาติชุมชนใครก็ตามระลึกถึงญาติชุมชนคนเหล่านั้นที่ระลึกถึงเธออยู่เนี่ยจะเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อเขามหาศาลคุณมีคุณสมบัติยังไง1คุณจเจริญสมาธิไหมเอาพูดง่ายๆภาษาเราก็คือว่า1คุณมีศีลไหมมีข้อปฏิบัติอันสมควรแก่ความเป็นสมณะไหมละอภิชาจเจริญสมาธิมีเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในฌานไม่เหินห่างจากการอยู่สุญญารวัตคือข้อปฏิบัติในการอยู่เรินว่างมีตบะการเปลียนเผากิเลส อะไรคุณสมบัติต่างๆที่เธอจะต้องเจริญเรื่องจิตตะภาวนาเนี่ยให้ทำการระลึกถึงเธอของบุคคลเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่เขามหาศาลโหงั้นก็เท่ากับว่าคนที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องการที่จะให้ลูกบวลูกหลานไปบวชเนี่ยก็จะต้องพยายามทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยเมื่อบวชแล้วเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยถูกเพลงเลยถูกต้องเลย เพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลที่กำลังบวชอยู่เนี่ยตอนนี้มีการจัดงานบวชอยู่เยอะแยะเนี่ยคุณทราบข้อมูลพวกนี้ไหมบวชแล้วต้องทําอะไรบ้างทําจิตอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรศีลมีกี่ข้อทําอย่างไรบ้างข้อปฏิบัติต่างๆของพระรู้ไหมรู้ทำเยี่ยมมากาดังนั้ น, นจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะไปบวชสิคะเพราะว่าคนในยุคปัจจุบั น, นเนี่ยอืส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีเวลาไม่มากนักในการที่จะ อยู่ในเพศสมณะมส่วนใหญ่อพอเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดไม่เรียนรู้ไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่เหลือเวลาให้เรียนรู้อะไรมากนะคะก็อาจจะไม่ทันที่จะทำให้คนระลึกถึงแล้วได้บุญใช่ใช่นะคะก็ต้องส่งเสริมกันไปอันนี้อีกคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาคำถามทางเว็บไซต์บ้างดีกว่าคาถามที่โทรศัพท์เข้ามาที่สถานีนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบได้อีกคะ่ะคำถามที่ส่งไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com/106 วันนี้น่าสนใจมากคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งถามจากหนุ่มขี้สงสัยนะคะมีการใช้นามแฝงด้วยบอกว่าผู้ชายโสดที่ไปใช้บริการหญิงค้าประเวณีผิดศีลห้าหรือไม่ค่ะก็ต้องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงการค <ผม S 2> งจะหมายถึ ง, <ไ>งข้อสามอย่างเดียวนะคะถ้าดิฉันจะดูเนีย่ยก็คือว่าไป ไปถือว่าประพฤติผิดอะไรอย่างนี้หรื อ, <ช>รอเปล่าเพราะไม่ได้แต่งงานนะค ะ, ะการประพฤติผิดในการมเนี่ยโดยบทพยัญชนะที่พระทเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็คือว่าหญิงผู้นั้นเนี่ยเป็นหญิงที่มีบิดารักษาไหมมีมารดารักษาไหมมีญาติพี่น้องชายพี่น้องหญิงญาติหรือธรรมรักษาไหมถ้ามีคนที่บุคคลเหล่านั้นรักษาอยู่เนี่ยก็ผิดนะหรือแม้แต่หญิงที่เขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยอันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่คุณไปมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ย เป็นบุคคลที่มีอยู่ในคือขายเหล่าเนี้ยก็ไม่ควรทําแต่อย่างไรก็ตามนะการพระพุทธาบอกว่าการเสพเมถุนเนี่ยคือการใช้บริการเนี่ยเป็นค่าศึกต่อพรหมจัรรย์เป็นของต่ําเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของพระอาลัยเจ้าออืเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรเพราแต่อันนี้ก็เป็นคนธรรมดาค่ะเป็นผู้ชายโสดค่ะท่านค่ะก็คือให้ให้ถูกทำแล้วกัน แต่ถ้าทางโลกนะคะการไปใช้บริการเนี่ยต้องระ ม, มัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโครคภัยไข้เจ็บเยอะโดยเฉพาะโรคเอสเขาก็มีสุข อ, อนามัยมของคนที่จะไปใช้บริการแล้วก็ของผู้ที่ขายบริการนะคะผ่านข้อนี้ไปข้อที่สองนี่ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเลยคะ่ะบอกว่ากรณีของเกย์โสดไปใช้บริการในสถานที่ที่เปิดบริการเพื่อให้เกย์ได้มาพบปะและทาความรู้จักกันมีเพศสัมพันธ์กัน เมื่อเสร็จกิจก็แยกย้ายกันไปแต่บางคู่ก็อาจถึงขั้นเป็นแฟนกันไปเลยไม่ได้ผิดลูกผิดเมียจะถือว่าผิดสีลห้าหรือไม่ครับสมัยก่อนนี่ก็มีนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นสำนักที่เป็นพวกแปลงเพศหรือว่าเป็นบันดอในภาษาบาลีอ๋อมีมาบันทึกไวในพุทธวจนะเลยเหรอคะการหญิงคาประเวณีก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว พระพุทธเจ้าก็บอกสมณะบอกพระบอกว่าเอออย่าไปยุ่งกับพวกนี้สถานที่ที่ถึงแม้พระดีก็ตามหรือพระไม่ดีก็ตามเนี่ยที่ไปบ่อยๆแล้วเนี่ยคนอื่นจะมองว่าเธอเป็นคนไม่ดีคือมีสถานที่คือสำนักของบุคคลประเภทนี้คือหญิงคาพระเวณีสำนักภิกษุณีสำนักสาวเทือสำนักสาวแม่ม้ายแล้วก็สำนักของพวกสองเพศเดี๋ยวนะคะสำนักของภิกษุณีภิกษุณีก็ไม่ให้ไป ไปบ่อย ๆ, ๆไม่ดีไปบ่อยๆไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีพระพุทธเจ้าใช้บทพยัญชนวะว่าถ้าเธอเป็นพระดีหรือเธอเป็นพระไม่ดีก็ตามถ้าเธอไปสถานที่5ที่นี้บ่อยๆนะเธอจะถูกเขามองว่าไม่ดีอ๋อถูกเขามองว่าไม่ดีจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีคนเนี่ยเขาก็จะมองจากภาพที่เห็น<ช>แล้วก็<ช>คิดปรุงแต่ง ก, กันต่อไปไ<ด>อาจจะเสียหายได้ไดังนั้นคือพระพุทธเจ้าเลยไม่ให้ไปยุ่งกับพวกนี้ค่ะแต่อันนั้นเป็นกรณีพระพูเท่เจ้านะคะไม่ให้พระ ไปยุ่งไม่ว่าจะเป็นพระดีหรือพระไม่ดีพรอาจจะถูกกล่าวหาในฐานที่ไม่ดีได้กรณีของเกษดไป่ใช่บริการในสถานที่ดังกล่าวตามคําถามนะค ะ, ะไม่ได้ผิดรูปผิดเมียใครจะถือว่าผิดสีห้าหรือไม่ก็คงจะไม่ได้ผิดนะคะแต่ผิดตรงนี้ไม่ผิดเรื่องศี น, น, นะแต่ว่าพระพุทธจ้าบอกว่าอันนี้เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะคือการไปการประกอบนองเนืองซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืนเป็นความเสื่อมแห่งโภคะค่ะบางคนบอกไปกลางวันไหมท่านค่ะ ตรอกต่างๆไหมล่ะคก็เอาเป็นว่าโดยหลักๆก็เป็นอย่างนี้สำหรับคำสอนของพุทธองค์นะคะย้ำอีกครั้งคนถามใช้ชื่อแฝงนะคะว่าคุณหนุ่มขี้สงสัยเอาอีข้อแล้วก็มาต่อเนื่องกันค่ะถ้าไปสถานบันเทิงโดยไม่ดื่มสุราเพราะไม่ชอบอยู่แล้วแต่ไปเพื่อเต้นรำพบปะเพื่อนฝูงดื่มน้ำอัดลมแทนเช่นนี้ถือว่าไปที่อโคจรหรือไม่คะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ใช้บทพัญชนะว่าเที่ยวไปตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนจะเป็นทางเสี่มแห่งโภคะทีนี้ถามว่าทําไมการเที่ยวไปตามสถานที่แบบนี้ถึงแม้เราจะไม่ดื่มสุราก็ตามเนี่ยน ะ, ะจะมีโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าจะประกรอบอะจะมีโทษเนี่ยอยู่ทั้งหมดหกอย่างคือหนึ่งผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาตัวสองผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาบุตรภรรยาสามผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติ สผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ระแวงของคนอื่นค่ะห้าพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้ น, น, นย่อมปรากฏแก่ผู้นั้นคำพูดใช่ไคะ ค, คำพูดอันไม่จริงในที่นั้ น, น, นย่อมปรากฏแก่ผู้นั้นก็คือไปเจอแต่คนที่ไม่ดีเขาก็พูดเรื่องที่โกหกบ้างเพ้อเจอบ้างนะค่ะแล้วข้อที่6คือเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากย่อมแวดล้อมผู้นั้นเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวตามสถานบริการเนี่ยถึงแม้คุณจะไม่ดื่มจะแม้อะไรก็แล้วแต่นะจะ เป็นทางเสื่อมจะมีโทษหกอย่างนี้หนึ่งไม่คุ้มความรักษาตัวเองชื่อว่าไม่รักษาตัวเองนะสองไม่ดูแลรักษาบุตรภรรยาด้วยสามไม่ดูแลรักษาทรัพย์นี่คือโทษที่จะเกิดขึ้นเป็นที่ระแวงของคนอื่นรู้สึกไม่ต้องอธิบายนะมันเข้าใจได้โดยง่ายไม่ควรไปอยู่แล้วคุณหนุม่มขี้สงสยัยหายสงสัยนะคะทีนี้มาถึงอีกคาถามหนึ่งอันนี้จากทางวิทยุ สุภาพสตรีที่ถามชื่อคุณกนกพรนะคะก็ถามมาว่าศีลอุโบสถกับศีลแปดควรสมาทานศีลใดในวันพระคะอ๋อมันพระจะถือศีลอะไรดีเพราะว่าสำหรับตมาก็เหมือนกันและเหมือนกันทําได้ทั้งนั้นทั้งศีลแปดศีลอุโบสถแล้วแต่สะดวกศีลไหนอ่าค่ะคือถ้าเราไปวัดไหนเนี่ยเขาพาสมาทานอุโบสถศีลเราก็ทําวัดไหนเขาสมาทานศีลแปดเราก็ทํา นะพี่แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปอบอกใครด่าใครว่าใครว่าอา้าทำไมคุณไม่ทำศีลแปดในเมื่อเขาทำศีลบัวสดกันคือมันเหมือนกันแต่มาไม่มีปัญหาหรอกทำได้ทั้งนั้น <c oughs> แต่บางทีคนเราเนี่ยมันเหมือนกับติดอยู่ในเรื่องกลัวว่าสมมติว่าเราคาดหวัง ในการกระทําของเราว่ามันจะได้รับผลที่ดีเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเราทําไม่ครบถ้วนกระบวนความให้ความตั้งใจที่ควรจะได้ผลดีเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยอาจจะเกิดความสงสัยละเอียดละ อ, อ่แบบเนี้เป็นเรื่องธรรมด า, าศาสนาพุทธไม่<ห>ตีกรอกร<า>บแบบนงงี้นะะว่าศีลที่เธอกําลังจะถือเนี่ยเป็นไทยจากตันหาเป็นอิสระจากตันหาไม่ถูกทิทิรูปคลำเป็นไปเพื่อสมาธิหรือเปล่าอันนี้พระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่เป็นไทยเป็นไทยจากเต้นหาเป็นอิสระจากตันหาไม่ถูกทิฐิรูปคําไม่ต้องติดยึดว่าต้องอันนี้เท่านั้นอย่างเดียวเปล่าแล้วสามเป็นไปเพื่อสมาธิไหมถ้ามีคุณสมบัติสามข้อนี้ทำเพราะฉะนั้นคุณกนกพรรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณกนกพรจะถือศีลเท่าไหร่ในวันพระพระนี้ถือห้าพระหน้าถือ8ดเลยด้านใช่ไหมคะอันนี้ก็ง่ายๆสบายๆ วันนี้เหลือเวลาอีกนิดเดียวบอกคุณผู้ฟังไม่ทราบชื่อไปทราบมาได้ยังไงว่าดิฉันจัดรายการตีสด้วย<อ>มีอีกรายการนึง น, นะคะตีส<อ>ี่ชื่อพุทธวัฒนธรรมวินัยจากพุทธโอด๊ดจัดที่วิทยุ FM 98าค่ะฟังที่นู่นจบปุ๊บหมุนมาฟังที่นี่เลยนะคะก็เวลาต่อเนื่องกัน f อ98อตอนตี4นะคะแล้วก็ตีหก็จัดที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวนะคะเป็นสถานีวิทยุ ที่ท่านจะได้ฟังทุกรถแล้วก็ยังมีถ่ายทอดไปที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยนะคะสำหรับรายการที่นี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีคำถามติดต่อมาที่ทางสถานี022690006นะคะ022690006รวมไปถึงเรื่องของการขอหนังสือด้วยซึ่งในช่วงนี้ดิฉันก็ประกาศว่าเราจะแจกหนังสือพุทธวัตฉบับ อาณาปานาสติคือเป็นการรวบรวมเอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญอาณาปานาสติครบถ้วนทุกกระบวนความโดยที่อ่านคําพระพุทธเจ้ากันล้วนๆเลยนะคะถือว่าเป็นคู่มืออาณาปานาสติที่เป็นพูทธพจน์เล่มแรกของโลกก็ว่าได้อันนี้ดิฉันยกมาจากคํานําของผู้เขียนซึ่งคงไปค้นคว้ามาแล้วแหะนะคะคือผู้ที่รวบรวมค่ะแล้วก็ ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าโดยพระตถาคตหนังสือเล่มนี้คือบอกว่าเป็นคําของพระพุทธเจ้าอ่ะก็เลยเป็นหนังสือโดยพระตถาคตนะคะจะได้ปฏิบัติกันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธองค์ตั้งแต่วันแรกที่ท่านตัดสินใจปฏิบัติหรือว่าใครที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ลองมาดูซิว่าเราจะต้องปรับต้องอะไรตรงไหนอีกบ้างนะคะวันนี้ก็คงจะต้องขอขอบคุณท่านฟังที่กรบทุกท่านกันไปแต่เพียงเท่านี้สําหรับรายการ สันสนิยสนทนานะคะนมสักการขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนวัดป่าดอนหายุูดอนธานีและสวัสดีท่านฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ่เิ